วันหยุดมีไม่มากเก็บเงินไว้เก็บวันหยุดไว้สามเดือนสี่เดือนถึงจะได้ไปสักครั้งหนึ่งรอเวลามีวันหยุดราชการจะต่อเนื่องอเราลาหัวลาท้ายลาตรงกลางอะไรงนี้มาดูพวกเรารุ่นหลังนี่โอ้มีบุญจังเลยเที่ยวแสวงหาธรรมะเที่ยวฟังธรรมะไปเรื่อยๆแล้วก็ดีนะฟังธรรมะไว้ศึกษาไว้คนไหนศึกษาไว้ได้ก็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 แลนะร่างกายนะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษหรอกเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลรักษามากมายเลยเพื่อจะให้มันมีความสุขสักหน่อยหนึ่งมีความสุขได้เดี๋ยวเๆนะเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วอย่างเราหิวข้าวเป็นทุกข์นะเราก็ไปกินข้าวกินมากไหน่อยก็ทุกข์อีกแล้วกินพอดีพอดีนะบรรเทาทุกข์ไปชั่วคราวกินข้าวเสร็จกระหายน้ําก็ทุกขนะ์อีกแล้วนะอกินน้ําไปอีกสักพักเดียวก็หิวอีกแล้ว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 ตายหมดนะถึงไม่เป็นไข้หวัด 2,009 ก็ตายเนี่ยชีวิตลงท้ายนะมันก็คือมันหนีความทุกข์ไปไม่รอดหรอกจิตใจล่ะจิตใจเราก็มีความทุกข์ตลอดเวลาเราสังเกตดูที่ใจเราสิใจเรามีความอยากขึ้นมาเมื่อไรใจก็มีความทุกข์เมื่อนั้นแค่อยากมาฟังเทศใจก็กระวนกระวายแล้วจะมาทันไหมได้ข่าวว่าบางคนมาตั้งแต่9ก้ามงเช้า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 เวลาที่อริยามรรคจะเกิดนะนะั้นเวลาที่อริยามรรคจะเกิดนั้นจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธินะรวมเข้าฌานเองแหละของเราถึงเราไม่เคยฝึกเข้าฌานนะนาทีนั้นมันจะเข้าฌานนะรวมเข้าไปแล้วมันไปตัดสินความรู้ในภายในฌานนะถอยออกมาแล้วคราวนี้จะเห็นในโลกนี้ไม่มีตัวเราตัวเราไม่เกิดขึ้นอีกละค่อยฝึกนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกพอไหวไหมยากไปไหม ถ้าคิดมากก็ยากนานถ้าไม่คิดมากนะค่อยรู้ความรู้สึกใครรู้ความรู้สึกไม่เป็นยกมือให้ดูหน่อยใครโกรธไม่เป็นมั้งมีไหมใครโลภไม่เป็นมีไหมใครรู้จักไมมโลภเป็นยังไงใคร ไ, ไม่รู้จักว่าโลภเป็นงไงอยากใครรู้จักไมไหมความอยากเป็นไงนะความโกรธเป็นไงความฟุ้งซ่านเป็นยังไงความหงุดหูิเป็นไง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 พอพูดถึงธรรมะใจก็หุกใชนี่ไม่เจียงนะแสดงว่าชอบฟังนิทานนะหัดดูนะไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอกคนที่คิดว่าการปฏิบัติยากนะก็คือคนซึ่งไม่ได้ปฏิบัติอกสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนอย่างหลวงปู่ดูลนะประโยคแรกที่ท่านสอนเลยก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินีจิจลิทธิไสยของหลวงพ่อนะี่ยเป็นนักคิดท่านก็สอนกรรมฐานที่เหมาะกับนักคิด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 ดูออกไหมใจไปคิดใจไปคิดนะเราก็รู้ทันว่าอ้อจิตมันหนีไปคิดแล้วดูออกไหมนะค่อยค่อยหัดสังเกตนะพอจิตมันไปคิดเราก็รู้ว่ามันไปคิดไปคิดไปสักช่วงหนึ่งนะเดี๋ยวก็สุขขึ้นมาเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมานะเดี๋ยวก็โลภขึ้นมาเดี๋ยวก็โกรธขึ้นมานะตรงที่จิตลงไปคิดนี่เรียกว่าหลงหนะลงไฟฟุ้งซ่านไปพอมีโมหะขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเหตุ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 มีไหมไม่มีจะได้เลิกเ <c oughs> มื่อวันวันศุกร์นะหลวงพ่อพิกเทศที่เซเว่นอเวนคนเขาเป็นพันเหมือนกันนะปรากฏเวลาถามนะพิธีก่อนเขาบอกเลยห้ามถามธรรมะส่วนตัวนะปฏิบัติอย่างนี้เป็นอย่างนี้ห้ามถามให้ถามธรม <c oughs> รมะส่วนรวมเราฟังไี้ธรรมะส่วนรวมอยู่ถามได้ไงเนาะ <c oughs>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 หลวงพ่อทำเก่งนะพ่อทำมานานทำเอาให้นิ่งขนาดไหนก็ไหวนะไม่ได้เรื่องเลยนะอ้าวต่อไปครับกลับนำมัส ก, การหลวงพ่อครับจะสอบถามหลวงพ่อสามข้อนะครับข อ, ขอข้ามถามด้วยกันนะครับคือตัวผมเนี่ยเหมาะกับวิหารธรรมแบบไหนครับดูอะไรได้ก็ดูไป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 ครับแล้วก็อยากจะสอบถามว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยพอจะเข้าทาง<ด>บ้างหรือยังครับเข้าท่านะต้องทานะทําไปค่อยๆสังเกตใจเราไหลไปคิดเราค่อยรู้ใจไหลไปคิดคอยรู้รู้บ่อยๆนะขอบคุณโดยพื้นฐานมันก็ขี้โมโหใจโมโห ข, ขึ้นมารู้ทันใจโมโห ข, ขึ้นมารู้ทันมันญหงุนหงิดขึ้นมาก็รู้ทันไปจะเห็นเลยทุกอย่างมันผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปดูอย่างนี้บ่อยๆนะมันจะไม่หลงนาน อย่าให้หลงเกินสองนาทีนะสองชั่วโมงนานไปวันหนึ่งหลงได้สิบสองครั้งเองแต่ยังเก่งนะคนซึ่งภาวนาไม่เป็นหลงวันละครั้งหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะส่วนคนภาวนาเก่งนล้วหลงไปแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะนาทีหนึ่งหลงหลายครั้งให้ฝึกนะค่้ททำไปเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อหลงพ่อหรอกครับแล้วทีนี้อยากจะสอบถามว่าจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมครับ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 สติม่เกิดทีหลังไม่จะเห็นว่าจิตดวงที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนๆนั้นมันมีโทสะจะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นการตามเห็นเป็นสันตติเรียกว่าปัจจุบันสันตติสืบเนื่องกับปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันขณะถ้าดูกา ย, ยาเป็นปัจจุบันขณะนะเห็นเลยตัวที่กําลังเคลื่อนอยนู่ไม่มีเราไม่มีความรู้สึกเป็นเราในนี้อ่ะต่อไปกล่าวนมันสการหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อสอนยากไปไหมเห็นว่าสอนนักศึกษาสามก็ต้องยากหน่อยนะเนะ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 ฝึกไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้อิสระภาพมาเนี่ยนิวฟรีดอมตัวจริงนะขอบพระคุณครับกลั บ, อบนอนส ก, กาหลวงพ่อค่ะพราะฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สักพักดึงแล้วอะค่ะแต่ว่าเออก็หัดูค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเดี๋ยวขอเวลานอกนิดนะไอ้หนุ่มที่ส่งกันบ้านอะหลงไปแล้วอ่ะรับไป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 การว่ายน้ํามีกี่ท่าตายตายตายสถานเดียวงั้นอย่าประมาทนะฝึกเอาสู้เอานะเราไม่ใช่คนโง่เราฝึกได้อยาจะถามหลวงพ่อว่าต้องแบบไหนถึงจะถูกกระสลดของหลวงค่ะอะไรนะต้องปฏิบัติแบบไหนถึงจะถูกกระสลของหลวดู ก, กายบ่อยๆเราเป็นคนที่รักในกายนี้เยอะนะรักแล้วก็ห่วงแขนร่างกายนี้มากเลยถนุถนอมอสวยเงอนอย่างนี้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 ครับขอวิหารธรรมด้วยครับนั่นแหละดูโทส์ได้ครั บ, รบข้าพเจ้ามีให้ดูทั้งวันเลยกราบนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะ อ, อ, อยากอยา ก, อยากรู้ว่าอยากอ อ, อยากให้รู้ว่าอยาก <c oughs> จะรบกวนหลวงพ่อว่าช่วยคือจิตมันรู้สึกหลงคิดบ่อยอะคะหลงเห็นหลงตลอดเลยคะ่ะเราต้องซ้อมนะ <c oughs> ซ้อมให้เกิดสติ วิธีซ้อมให้เกิดสติก็คือทำกรรมฐานสัปดาหนึ่งพุทโธก็ได้นะหายใจก็ได้พุทโธพุทโธใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันก็มาพุทโธอีกพุทโธพุทโธใจนี้ไปชิดก็ไม่ชอบพุทโธแล้วชอบอะไรล่ะชอบดูลมหายใจรู้ลมหายใจไปเห็นร่างกายหายใจไปพอใจลอยไปก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้หายใจไปแล้วคอยรู้ทันใจไปขอบคุณอย่าไปเริ่มต้นด้วยการหายใจแล้วก็น้อมใจให้นิ่งนะ รู้ <Okay. S 1> สึกไหมเวลาเริ่มต้นหายใจมัจะน้อมเข้าไปน้อมไปอยู่กับลมแล้วมันจะเลือนๆเลืบๆไป <Okay. S 1> พยายามหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวอย่าหายใจให้เคลิม <Okay. S 1> พยายามฝึกตัวนี้เยอะๆ <Okay. S 1> ต่อไปนะอยู่ในโลกข้างนอกนี่พอใจไหลแวบบสติมันเห็นเองเลยยังไม่มีสติตัวจริงใช่ไหมคะหลวงพ่อ ย, ยงมันติดสมถะก็คือต้อง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 คอยดูนะบางทีดูยากแล้วแล้วที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ตอนนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับหลวงพ่อครับก็ดีนะแต่ว่าอย่าไปบังคับจิตมากไปกดมันมากไปครับแล้วแล้วบางครั้งเวลาที่ผมไปทำทาวัดเย็นอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกว่าแบบจี้จี้ขึ้นมาที่กลางหน้าผาบังคับตัวเองมากไปต้องปล่อยปล่อ ย, อยมัน ป, ป่ให้เป็นธรรมชาตินะ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 ได้มาฟังหลวงพ่อสดๆธรรมดาฟังแต่ซีดีพันเว็บเว็บมิมุติอะค่ะฟังตั้งแต่ลุงสาราลุงชินครั้งที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ฝึกหัดรู้หัดดูมาตอนรู้ใหม่ๆรู้เลยค่ะว่าเป็นคนโมโหร้ายแต่ตอนนี้ก็พยายามหลังๆมันรู้สึกฟุ้งซ่านก็เลยใช้การขยับนิ้วดูกายไปแล้วก็ใช้คาว่ารู้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 ให้กันบ้านนะ<ช>พูดให้น้อย <c oughs> เคลื่อนไหวให้เยอะ <c oughs> นะอะา่ตอไปก็ <c oughs> ยังไม่ยอบเลย <c oughs> อีกนิดนึงค่ะลูอ้าวว่าไป ก, ก็ใช้รู้ลมหายใจไปเรื่อยๆแล้วบางทีก็อาจเปลี่ยนเป็นใช้คำบริกรร ม, มสลับกับการรู้ลมหายใจใช่ไหมคะแล้วก็แต่ก็เห็นแต่ความฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคอยไปดูเห็นแม่ใจเรามีแรงดัน มันแรงดันมันอยากพูดอ่ะมันมีแรงดันนะให้รู้ทันน ะ, ะนอิเลตอื่นๆมันก็เกิดขึ้นที่เดียวกันนี้แหละค่ะตอนนี้หนูขอวิหารธรรมตอนจบแล้วค่ะดูไปเลยนะันะ่นแหละดูความฟุ้งซ่านของตัวเองไปดูความฟุ้งซ่านไปน ะ, ะดูไปดูไปแล้วภูมิใจว่าอ้ชักเก่งเล้วไหรู้ว่าภูมิใจนะเราต้องรู้กายไปเรื่อยรู้รู้กายรู้เป็นพื้นฐานไว้เลยค่ะทํางานบ้านไปรู้สึกไป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 หลวงพ่อไปเทศนะ์เนี่ยคนมาเยอะเลยแล้วก็มาฝึกแล้วได้ผลนะมองเห็นกิเลสตัวเองใจค่อยๆ ค, ค, คลายออกจากกิเลสคลายออกจากความทุกข์อะไรเงี้ยมันเห็นผลในเวลาสั้นๆะหัดเจริญสติไว้ไหนละ่ะคนไหนอ่ะว่าไปเลยเห็นละการนามนัสการท่านหลวงพ่อครับคือคือความรู้แจ้งของคือวิธีเห็นความรู้แจ้งของหลวงพ่อนี้คือเน้นทางด้าน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 ไงมันเป็นสมถะล่ะครับแล้วก็ในในสมถานี้ก็จะมีกระสินกสินสี่สิบถูกไหมครับอะไรนะหลวพ่อฟังไม่ให้ออกคือกสินครับกสินสี่สิบะครับกสินเออแต่แลกะกสินนี้ก็กสินสแต่ละคนเฉิตจะไม่เหมือนกันครับเฉิตกสินเนี่ยทําสมถะนะครับเนการเพง่งทําสมถะแล้วส่วนมากมันจะเพ่งออกนอกงั้นเราลองปรับ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 อภินยาครับอ๋ออยากได้อภินยาเอาตัวไหนอ่ะข้อสูงสุดนะคือได้แค่อภินยาห้าใช่ไหมครับถ้าอภิญยาหก็คือสําเร็จแล้วครับหลวงพอฟังไม่ออกว่าไงนะอ๋อก็คือถ้าสูงสุดของทางโลกก็คือได้แค่อภิญยาห้าครับถ้าว่าถ้าเกิดได้อภิญยาหกก็คือสําเร็จเลครับเออไม่เอาอภิญญาหกเหรออภิญญานะมันเรนะิ่มมาทุนต้องฝึกกสินก่อนนะถูกแล้วละนะนะ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 สามรอยี่สิบเนเป็นพระสุขววิปสัสกสกะพวกนี้ไม่ได้ทรงฌานนะไม่ได้ทำฌานมาก่อนหรอกจเจริญสติดูจิตดูใจไปดูกายไปอะไรเนี่างนี้แหละแล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันกระทั่งในสมัยพุทธกาลนะคนที่ได้สมาธิเล่นสมาธิยังเป็นคนส่วนน้อยเลยมาถึงยุคเราเนี่ยแทบหาตัวไม่ได้เลยที่จะทรงฌานจริงๆหายากที่สุดเลยงั้นทางที่ดีนะจะไปไฝ่ฝัน ว่าเราจะต้องได้อาภินยาก่อนนะแต่ถ้าใจไฝ่ฝันอย่างนั้นนะ <c oughs> ก็ไม่ห้ามนะคุณไปดูกระสินน้ำไหมไปเล่นน้ำไหมก่อนเล่นน้ำทำไมจึงเหมาะสมกับ น, น้ำนครับ <c oughs> เออไม่บอกหรอกมันจะได้เย็นแต่แต่สมัยสมัยในครัในครพุาา ก, การที่สำเร็จเป็นพ่อหลานง่ายเพราะว่าในใน ก่อนหน้านั้นได้มีการเพราะว่าคนที่จะเกิดในยุคของพระสมณะสมุเจ้าได้ในช่วงนั้นก่อนนั้านั้นเขาได้เคยเจริญสติปัฏฐานสี่ก่อนใช่ไหมครับต้องเจริญนะทําให้เวลาเขาได้ได้ฟังพระโอวาทของพระสมณะสมุทจ้าทำให้สําเร็จได้บรรลุได้เร็วขึ้นครับเพราะเขามีเพื่อนเดิมอยู่แล้วครับแต่คนที่เจอพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็มีนะเจอแล้วตกนรกไปเลยก็มีเจอแล้วไม่นับถือเลยก็มีคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่นับถือพระพุทธเจ้า เพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ฝืนกับธรรมชาติธรรมดาธรรมดาของคนพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตัวเองคนชอบพึ่งคนอื่นเพระพระพุทธเจ้าสอนให้เรียนรู้ตัวเองเราชอบรู้เรื่องของคนอื่นมันกลับพัวกลับหางอยู่ตลอดเวลาแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกเราอยากละทุกขแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ละความอยากก็ฉันอยากจะละทุกอ่ะมันกลับพัวกลับหางตลอดนะนั่นถึงไม่ได้ธรรมะ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 ไม่พออีกเหรอเดี๋ยวคนอื่นเขาบ่อมเรานะคนยผมก็ว่าถ้าเกิดเล่นเล่นกสินเนี่ยครับแล้วก็ท้ายแบบเออแต่ท้ายให้แบบใจจิตใจยึดติดนะครับยึดติดมาให้แบบไม่หลุดนะครับจะมีหลวงพ่อจะมีแนวทางที่แบบอถ้าเล่นกระสินนะครับท้ายเกิดการเกิดว่าเกิเราเราเป็นแบบยึดติดอยู่ในนั้นนะครับหลุดไม่ได้ครับผมจะมีไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีแนวทางที่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 มันก็เลยนิ่งประคองหลวงพ่อทาหน้าให้ดู <c oughs> อย่างนี้ไม่เอาเลยนะเลิกเนี่ยเริ่มหลุดออกมาแล้วรู้สึกไหมค่ะเนี่ยต้องจิตต้องอยู่อย่างเนี้ยค่ะจําได้ยังสเพย์ยังค่ะเนี่ยอยู่ตอนเนี้ยไม่ใช่อยู่อย่างตะกี้ค่ะเนี่ยเริ่มเข้าไปที่เดิมแล้วยิ่ออกไหมค่ะไหลไหลไหลเข้าไปจับอารมณ์ให้นิ่ง ม, มันจะคือมันละมันมึกมันชินว่ามันนิ่ง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 ก็ถ้าหนูพยายามรู้ไปว่าตอนนี้มันรู้ลอยลอยรู้ไม่ถึงฐานนี่มัน<ช>จะช่วยแก้ใช่ไหมใช่ได้ใช่ได้รู้อย่างที่เขาเป็นถ้าอยากให้มันถึงฐานรู้ว่าอยากไม่ก็หลุดออกมาเลยใช้ได้น ะ, ะที่ฝึอกอยู่ใช้ได้ขอบพรคุณค่ะติดไม่รุนแรงหรอกธรรมส ก, การหลวงพ่อครับก็ก็ปฏิบัติมาได้สักพักนะครับก็เริ่มจากหนังสือวิธีแห่งการรู้แจ้งของหลวงพ่อครับได้มาสองสมเดือนที่แล้วแล้วก็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 สมควรแก่เวลาแล้วนะคะทุกท่านนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวคาถวายธยธรรมและสังฆทานนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยธยธรรมและของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่หลวงพ่อประโมทประโมทโชว์ขอหลวงพ่อจงรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบกาลนานเทิน ยถาวาริวหฮาปุราปริภูเรนติสาครังเอวเมวายโตดินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวัสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพีติโยวิวัชชนตูสภโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะ อภิวาทนาสีลิสนิจังุทธาปัจจายิโนจตา ร, รธรรมาวัันติอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังสาวนานะช่วยตัวเองไม่ใช่ช่วยหลวงพ่อพอหนาไป